จะเรียนรูร้กเรามนะวันนี้พวกเราก็ประมาณนั้นนะมาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะมันก็แบบนี้นะคือเราก็อาศัยว่าเราก็ฟังทำไีด้วยนะบางคนก็สวดมนต์ธรรัดทุกวันด้วยนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมทุกวันด้วยนะก็อย่างกิจวัตรที่วัดื่อนใหญ่นะ ที่วัดปฏิบัติก็จะตื่นเช้ามาก็ทำบัตรเช้านะจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ก็แสดงธรรมหรือถ้าครูบาอาจารย์ไม่อยู่เราก็ฟังธรรมจากเสียงที่บรรทุกไว้ของครูบาอาจารย์เวลาที่เหลือก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนเย็นก็สวดมนต์ทำบัดเย็นแล้วก็ฟังธรรมกันต่อคือเหมือน แต่ละวัานาก็จะวนเวียนกันเป็นแบบนี้นะซึ่งถ้าคนที่คนที่ไม่หนีใจรักจริงๆหรือทีคนที่ยัง ม, ม่คุณก็จะรู้สึกว่าอะไรมันมีแค่นี้หนะ ว, วันวันก็วนเช้าจนเย็นก็ทำแค่นี้นะไม่มีอะไรแปลกใหม่นะไม่เหมือนในบางบางที่นะอย่างเช่นมหาญาณหรือ แบบที่เบตวัชรยานบางทีสปิดมนก็ยังต้องมีดนตีด้วยนะ <c oughs> จะได้สนุนะจะได้มีอะไรเพลิดเพลินบ้างหรือบางทีก็ไม่นั่งสวดเดียวก็โยกไปด้วยหรือบางทีก็เดินสวดก็มีแต่ของไทยเราก็นั่งสวดกันนะแต่เราก็ใส่ว่าเราสวดมนเพื่อให้เราได้ดูความหมายในการสวดไปด้วยนะถ้าเราสังเกตอยู่เมื่อสักครู่เนี้ยนะถ้าเราสวดมนนะ อการสวดมนต์คนส่วนใหญ่นะที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็คิดว่าสวดมนต์เพื่อให้เป็นสื่อมคลของชีวิตอนะย่างช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ก็จะมีการประชาสันเชิญชวนกันเยอะนะเรื่องสวดมนต์ข้ามปีนะก็ะเหมือนเป็นสื่อมวลนของชีวิตในะในปีใหม่หลายคนก็ฟีมาสื่อแจกหรสวดมนต์เยอะเลย ว่าเหมันก็จะได้บุญหรือให้คนได้ดทําบุญกันต่อแต่จริงสวดมนต์จริงนะให้เรามีให้เราทราบซึ้งในคุณพระรักษณะใจอะไนี้ถ้าเราสวดมนต์แล้วเราเข้าใจบทสวดมนต์เราจะทราบซึ้งในในพุทธประทับผสมเมื่อเราทราบซึ้งก็คืออะไรเรามีศรัทธา มีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านมีอยู่จริงท่านตรัสรู้จริงแล้วก็มีศรัทธาในพระธรรมคือความสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในความจริงนะศัธรรมนะมีศรัทธาในพระสมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกนะปฏิบัติสมควรจริงๆนะแล้วก็ เราก็จะมีศรัทธานะสนศรัทธาคือความเรื่อรใสความเชื่อมันนะ่นเนแล้วเพื่ออะไรเราจะได้มั่นใจในการเดินเดินตามนะเราจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัตนะิเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ความค้นทุกข์ได้จริงๆนะนะอันนี้คือเราสวดมนต์เพื่อให้เราเข้าใจตรงนี้ เราวามทำเองก็เพื่อให้เราเกิดความทราบซึ้งเข้าใจตรงนี้นะนี่คือความหมายจริงนะแต่ในขณะที่เราสวดมนต์ถ้าเราถ้าเราสวดด้วยความตั้งใจเราก็จะมีสมาธินะใช่เราตั้งใจอ่านนะในบทสวดมนต์จิตใจเราจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือทำวัดเนี่ยเราก็จะได้สมาธิ พยายามนะมีความตั้งใจใส่ใจเข้าไปในการอานะ่านไม่บ็อกแวกไปที่ไหนเนะี่ยคือเราได้สมาธิแล้วหรือบางคนเราก็มีสติในการสวดมนต์ก็ได้นะนะเห็นเต็มร่างกายเขากำลังนั่งนะก็นมมือเป็นปากกำลังขยับพนะูดไปอ่านไปตามบทสวดมนต์ืางทีก็เห็น บาที่ปากขยับนะแต่ใ จ, ใจ ก, ก็ขยืดเหมือนกันบสวดถูกนะแต่ใจก็ฟุ้งไปที่อื่นก็มีเห็นนะบางคนสวดคล้องนะปากก็สวดไปได้ถูกนะแต่ใ จ, ใจเราก็คิดไปเรื่องอื่นได้เหมือนกันเราะจะเห็นมันแบบไปสวดแบบนี้เรียกว่าเราสวดเราได้สติไปด้วยนะเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหว เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเนี่ยคือเราได้สตนะิเราก็จะเห็นว่าก็ที่จริงเนะี่ยเออเราจะเกิดปัญญาก็ได้นะถ้าสวดไปนะเห็นความไม่เที่ยงนะจิตใจมันไม่เที่ยงนะนะี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะสังเกตดูก็ได้นะบางครั้งเราก็เราก็ทราบซึ้งเราก็อินเข้าไปในการสวดมนต์บางครั้งใจก็ลอยปลุงออกไปในการสวดมนต์บางครั้งเราก็ใจก็อยู่ตรงกลางพอดีพอ ด, อดีนะ่ ไม่จมกันไปไม่ลอยเกินไปก็ดีอันนี้คือเราเห็นตรงนี้นะเห็นความไม่เทียนะ่ยะในขณะที่สวดมนต์นะเรียกว่าได้เป็นยาไปด้วย <c oughs> นี่คือพูดแบบให้เราเห็นนะว่าที่จริงแม้แต่แค่การสวดมนต์หนึ่งอยานะ่างเนี่ยเราจะฝึกให้เป็นแบบไหนก็ได้นะคนทั่วไปสวดมนต์นะให้เกิด เป็นความขังเป็นอะไรอันนี้นก็เกรื่องของเขาแต่ถ้าเราจะสวดเพื่อให้เข้าใจให้เรามีศรัทธาก็ได้สวดด้วยความมีสมาธินะตั้งใจสวดสวดบทไหนก็ได้นะมีสมาธิในการสวดเป็นนานๆก็มีสมาธิก็ได้หรือสวดไปก็ดูกายดูใจไปด้วยก็ได้สติได้ปัญญาไปด้วยนี่นี่คือถ้าเราจับหลักได้จริงๆนะการสวดมนต์นี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะเราก็สามารถ เอาไปปฏิบัติทำได้แล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะทุกอย่างก็จะเหมือนกันอย่าจะมาเองนะพูดอยู่ตรงนี้นะก็ไม่รู้หรอกว่าต่อไปจะพูดอะไรนะเพราะไม่เคยไม่ได้แบบพูดแบบเตรียมว่าจะพูดอะไรนะนะก็พูดไปเท่าที่มันพูดแต่เราก็พูดไปแล้วก็ดูร่ากายของเราไปด้วย ดูจิตดูใจของเราไปด้วยว่ารู้สึกอย่างไรอยู่นี่นะบางทีก็พูดไปดูโย ม, มากนะมางสมมติโยมบางคนนะสนใจอลไรเราก็เห็นใจเราที่ก็ดูบางทีพูดไปบางนานนะโยมก็พูดแข็งบางนานโยมก็นอนหลับใช่ไหยครับใจเรารู้สึกอย่างไรนะเราก็รู้ <c oughs> นี่ยก็คื อ, อพูดธรรมะไปด้วยนะปฏิบัติทำไปด้วย <c oughs> ได้ทั้งสองส่วนนะมันยมตัเกได้บางคนอ า, อาจจะอาจจะมีหน้าที่กัน์ดหรือมีบทบาทที่สมมุติเราต้องพูดต้องบรรยายต้องสอนอย่างนี้นะบางคนเป็นอาจารย์สังเกมไหมบางคนเป็นอาจารย์แบบค่าจะสอนอย่างเดียวไม่สนใจใช่ไหมไมีไหมมีเนื้อหาตรางนี้ท่าจะพูดแต่เนื้อหาไม่สนใจลูกศิษย์มันจะฟังไม่ฟังเรื่องของมันอันนั้นก็ก็มีนะอันนั้นสอนแบบ เอาแต่เนื้อหาไม่สนใจนะไม่สนใจว่าเขาจะเขาจะเข้าใจเขาจะตามทันหรือเปล่าอันนั้นก็มีอันนั้นอาจารย์ก็ไม่ค่อยต่างจากเทพนะแต่ถ้านะยกกระดับขึ้นมาเช่นเราสอนไปด้วยเราดูปฏิกิริยาของคนที่เรียนคนที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะเราก็ มันจะมีการปรับมีการเปลี่ยนในการพูดคุยนะให้มันเกิดการตื่นตัวขึ้นนะหรือให้มันเข้ากับบริบทมากขึ้นรวมทั้งเองเราก็จะเห็นจิตเห็นใจของเราได้ได้ชัดเจนขึ้นอันนี้คือเราไปประยุกต์ได้ะนะในการพูดคุยก็ดีเราไปประยุกต์ในการทําการทํา ง, งานต่างๆก็ดีนะ ถ้าเราจับหลักเรื่องการฝึกสติได้นี่จะเห็นว่าที่จริงสตีนี้มันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้จริงๆนะอแต่ถ้าเราเน้นฝึกสมาธิเนะบางทีมันจะใช้จะทําสมาธิได้ก็ต่อเมื่อว่าสิ่งแวดล้อมบรรยากาศมันเพื่ออํานวยนะแต่สติเนี่ยเราสามารถฝึกได้ในทุกที่เลย เพราะอะไรเพราะเรามีกายตลอดเวลานะอะกายภาษาภาก็คือรูปนะเรามีรูปเราอาศัยสติเนะในการรู้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเะนี่ยคือมีสติตามรู้กายนะเนี่ยคือเราก็ดูกายนะือร่างกายได้ตลอดเวลาเท่าที่มันจะเ ล, ลื่อนได้นะ แต่ที่สิ่ที่เราทำคือเหมือนเราสร้างต้นหนสร้างเหตุให้เขารู้คือเนะนี่ยงพอเขียนเนี่ยสร้างเหตุก็คือการขยับการขยับมือการยกมือการเดินจงกองเนี่ยเขาจะเน้นไม่ให้อยู่นิ่งๆให้ขยับให้สร้างการเคลื่นอนไหวเพื่ออะไรปุกปลุกจิตให้มันรู้ปลุกจิตใจให้มันรู้ตัว บางทีถ้านนิ่งๆเงินไปใจจะรอยใจจะพุ้งแล้วมันจะไปยาวไม่รู้ตัวการที่เราขยับเหมือนปุกปลุกจิตให้มันรู้ตัวตอนไหนมันพุ้งมากเราอาจจะขยับแรงๆกระตุกแบบนี้บ้างก็ไดนะ้นะเรียกสติใจเองนะเรียกสติใจเองอันนี้คือเราใส่การเพื่อไปลุกปลกจิตให้รู้แต่บางทีบางคนเข้าปฏิบัติแบบ ไม่อยากรู้คืออะไรนั่งนิ่งๆสงบสงบไม่อยากคิดไม่อยากรู้อะไรปล่อยจิตให้มั่งว่างลอ ย, ลอย au, ๆเบาๆอันนั้นคือมันขัดกับการฝึกสติเลยเนะี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่อยากรู้จิตมันไม่อยากรู้ไม่อยากรับรู้ไม่อยากเตืนใจอะไรเลยซึ่งมันจะต่างจากการฝึกสติ ปุณติคือปุกนะปกจิตให้รู้เรื่องต้นเนี่ยเราอาศัยปลุกจิตให้รู้กายอาศัยกายเคลื่อนไหวปุ๊กจิตให้มันรู้รู้ร่างกายเก็บร่างกายร่างกายเป็นสิ่งทีุู่กจิตรู้กายเนี่ยมันก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายร้อนหนาวเจ็บปวดเมื่อยคือเรื่องของกาย เรื่องของรูนะ้จิตใจเป็นผู้รู้เนะีนะ่ยก็จะเห็นนะนะกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งนะมันรู้ตรงที่ปัจจุบันะรู้ตรงที่ปัจจุบันมันจะเป็นอะไรกระช่นเราก็รู้มันเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปนะเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยอันนี้คือเราเรียกว่าเรารู้รูนะ้หรือเรียรกภาษาพก็เรียกว่า กายานปาุปัสสนานักสติปัฏฐานะมีสติดนะูกายแต่ที่จริงมันการเจริญสติไม่ใช่เป็นสเต็ปขั้นสี่ขั้นนะกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่ว่าเราจะต้องฝึกกายสัก2องสามเดือนแล้วค่อยมาขึ้นเวทนาเพ่อขึ้นไม่ใช่เหมือนเราเรียนแบบปหนึ่งปสองปสามป ส, ามสี่ไม่ใช่ มันไม่ใช่เป็นหลักสูตรกายตัวขนานนั้นนะเพราะที่จริงในขณะที่เรารู้กายเคลื่อนไหวนะที่จริงมันก็มีเวทนาอยู่ตลอดเวลาอยู่และเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันมีตลอดเลยนะบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เฉยทุกคนมีไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วก็สดับไปเรื่อย บางครั้งก็เกิดความสุขตอนนี้บางครั้งก็เฉยบางครั้งก็ทุกข์คล้ายๆเหมือนเรากินเราสมืติเรากินข้าวนะโอเคไหมมากินข้าวจานหนึ่งน่แหละกินเค้กก็ได้กินอะไรก็ได้บางคําก็ชอบบางคําก็เฉยบางคําก็อาจจะไม่ชอบเลยสมมตินในกับข้าวนะมันมีมันมีหลายอย่าง เมื่อเรากินพริกไปมันเข็ดเป็นทุกข์เราชอบหวานเรากินอันนี้มันหวานเราสุขอันนี้เรากินรสจืดๆกลางๆก็อาจจะเฉยก็ได้ในในอาหารหนึ่งนื้อนะมันก็เกิดเวทนาสะดับขึ้นไปเลยสุขทุกเฉยอันนี้คือในชีวิตทั้งวันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะไฟเขียวมีความสุข ไฟแดงมีความทุกขนะ์ไม่ใช่ทุกข์ขนาดร้องไห้ไม่ไหวนะแต่มันเหมือนไม่พอใจนะนะหรือบางทีก็เรื่อยๆนะไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือเวทนาซึ่งเรายกมือเองก็ดีเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นเวทนานแทนะ้เวทนานี่มันมีสองสองส่วนนะเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจเวทนาทางกาย อาตมาเข้าใจว่ามันคือเรื่องของรูปนะไอ้ออที่พูดเมื่อกี้คือเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยแต่เวทนาทางกายเนะี่ยก็คืออาการเจ็บปวดเมื่อยเนะย็นน้อนอ่อนแข็งที่มันเกิดขึ้นกับรูปเนี้ถ้าเราดูอย่าดีจะเห็นอ้เนี่ยรูปมันเป็นทุกข์นะที่เราเรียกว่าเวทนานะครับวีดูนนะรูปมันปวดรูปมันเมื่อยรูปมันหนาวรูปมันร้อนนะนี่คือเวทนาที่มันเกิดขึ้น เห็นเนะี่ยเห็นเวทนาในรูนะเห็นเวทนานะในจิตใจนะนี่คือเวทนาในปรสนแเราก็จะเห็นแทบในบางขณะจิตตาเนื่อปรสนาสติปัฏฐานก็เหมือนกันนะมีตลอดนะบางครั้งจิตก็โกรธบางครั้งจิตก็โลภบางครั้งจิตก็ก็หลงบางครั้ง ก็มีจิตที่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงถ้าจะพูดง่ายๆนะเหมือนจิตที่ปกติแต่ไม่ปกติมันมีแค่นี้แหละจิตของเราบางทีหลวงพ่อเขีนพูดว่ามีแต่รู้กับหลงรู้ก็อยู่ในฝ่ายปกติก็ว่าได้กับหลงจิตก็มีสองส่วนนะหรือถ้าหน้ามือกับมือนะมือก็มีไปไหนนะคือจิตก็ถ้าเราจะดูจิตก็เดินเนี่ย จิตตอนนี้ปกติตอนนี้ไม่ปกตินะตอนนี้รู้ตอนนี้ไม่รู้มีตลอดทั้งวันเราก็ดูได้นะนะดูเป็นคู่แบบนี้ก็ได้แม้เราไม่ตั้งใจจะดูจิตแต่เราดูกายก็จะเห็นจิตนะดูกายก็จะเห็นความคิดนะดูกายก็จะเห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเห็นเหมือนกันส่วนธรร ม, มานะปัตตนานี้ก็มี มีหลายหมวดทีนะ่จริงธรรมะนุปัตนามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องทั้งรูปแล้วก็นาม ท, ท, ทั้งันงะเช่นความง่วงอะ น, นะง่วงเย่บางทีก็แยกไมออกนะง่วงกายหรือง่วงใจบางทีก็ทั้งสอบอย่างนะทั้งกายทั้งใจนะมันง่วงมันซึมไปด้วยกันก็มนะนะีหรือแม้แต่โศนะไม่พอใจนะ ใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาร่างกายเกิดความร้อนขึ้นมามันก็คู่กันเลยนะสังเกตไหมเวลาเราเวลาเราโกรธนะนะใจก็ร้อนนะใจก็ถิดอัดร่างกายก็หายใจสั้นร่างกายก็ร้อนขึ้นมามันก็สัมพันธ์กันเลยนะเนี่ยคือเห็นกระบวนการเวลาเรามีปีติขึ้นมานะตัวกระเบาใจก็ลอยส บ, บายนะ มันก็สำคัญกันอันนี้เราจะเห็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะเรามีตาวิเศษตาวิเศษไม่ใช่เก็บขยะตูนต่ทำงานมุ่งโยรตาจะพันตาวิเศษคือเก็บขยะแต่ตาวิเศษในที่นี้คือเรามีตาในนะเรามีตาสติ ที่เห็นนะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใจนะตามความเป็นจริงนะเราจะเห็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละมันเป็นแบบไหนเราก็แค่รู้อย่างที่มันเป็นแต่สิ่งที่ต้องระวังนะหรือสิ่งที่มันมักจะเข้ามาแทรกบ่อยๆคือความอยาก ความอยากที่มันจะเข้ามาแทรกคืออะไรเช่นมันเกิดอารมณ์อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่ต่อเช่นธุติปฏิบัติแล้วมันสบายก็จะอยากให้มันสบายไปเรื่อยๆหรือปฏิบัติแล้วมันเจ็บปวดเมื่อยไม่สบายมันจะเกิดความไม่อยากที่จเป็นแบบนี้ความอยากจะเข้ามาแทรกมากอย่างที่บางที ภาษาแบบเลางพเทียนูดง่ายๆนะว่าเห็นความคิดนะนะคำว่าเห็นความคิดจริงๆก็คือเห็นการเห็นกระบวนการปรุงแต่งภายในจิตใจนะแต่ในกระบวนการปรุงแต่งของจิตใจเนะี่ยมันคือถ้าจะพูดนะก็คือว่าถ้าเหมือนกับหญ้ากนะ็คือต้นหญ้าที่มันงอกมาที่ดินนะแต่ความอยากจริงมคือรากของหญ้าเราเห็นความคิดเนะี่ยคือเห็นในตัวหญ้า ที่มันโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเราจะเห็นว่าที่จริงเพราะมันมียากต์เพราะมันมีรากเพราะมันมีความคิดความตรุงแต่งเพราะมันมีตัณหาเพราะมันมีความอยากมันเลยเกิดอุปทานเกิดสำคาญปรุงแต่งเกิดตัวตนขึ้นมาแต่เราพูดจากอยากเพื่อให้ว่าเห็นความคิดแต่จริงมันก็คือเหมือน มันยากก็เนะื้อซึ่งมันก็ประกอบด้วยหลายส่วนอันนี้คือกระบวนการที่ถ้าเราไม่เห็นนะถ้าเรารู้ไม่เท่าทันนะี่ะมันก็จะเกิดนะเกิดตัณหาอุปาทานอัตตามานะตัวตนเนะีพูดแต่ภาษาครับภาษาบาลีนะแต่ก็คือเนะี่ซึ่งคือเกิดความเป็นความรู้สึกเป็นเราเป็นของของเราเป็นความยึดมั่นถือมั่นนะจะเป็นความทุกข์ การมีสติจะทําให้เราเห็นตรงนีนะ้เมื่อเห็นแล้วนะมันดีมากคืออะไรไม่ต้องว่ารอเราเป็นพระรหันต์นะถ้าเราเห็นด้วยสติจริงๆเนะี่ยมันเหมือนมันตกไปอ่ะเดยตกปุ๊บนะในหนึ่งขณะนั่นแหละแต่ความเคยชินที่มันเผลออีกมันก็เหมือนหยิบขึ้นมาอีกละพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็ตกพอรู้พอรู้ตัวมันก็ตก ก็เพือไปหยีขีการฝึกสติมันแบบเป็นแบบนี้อย่เหมือนค่อยๆปล่อยยึดปล่อยยึดปล่อยยืดยืดมันก็ทังมันเองพอมีสติมันก็ปล่อยแต่แบบนี้มันก็ดีนะนั่นคือมันดีกว่าคนไม่ฝึกเลยคนไม่ฝึกเลยนั่นคือมันถือตลอดนี่ของปูนี่เขอูงปูก็จะเป็นปัญหาเป็นความอยู่ตลอดอันนี้คือ การมีสติมันก็ดีนะมันทําให้เราค่อยๆปล่อยไปทีละน้อยถือก็ถือไม่นานพอมันถือไม่นานนะมันก็เลยไม่ค่อยหนักแต่ถ้าถ้าเราถือนานนะมันก็หนักอย่างเมื่ออย่างมาแล้วก็เมื่อสะกู่นี้นะฟึ่งไปเดินตะโดงตั้งมาน่ะเดินนึงกับไฟจังตุ้นแล้วก็หนุนชนะฟึ่งกลับมา อาทิตย์หนึ่งมีโยมไปอาสมนะมาถามว่าเห็นหน้าทตะมันก็นที่อาสมแดดแรงที่จริงไม่ได้อยู่อาสมที่จริงไปเดินด้วยดมกันมาก็เลยหน้าค้ารู้สึกไงวะตอนก่อนเดินนะตอนเอาเป้ขึ้นเอาเย่างขึ้นดังขึ้นบาเนะี่ยสบายนะโยมเคยรู้สึกไหมบางที เราจะเดินทางไปไหนนะพอเราเทสต์ตัวทดสอบตัแค่นี้เองสบายมาก <c oughs> แต่พอเริ่มเดินไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอที่ว่าสบายมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยสบายแล้ว <c oughs> เดินไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเออทำไมมันรู้สึกหนักนะรู้สึกอยากจะวางลนะ่ะ <c oughs> ที่จริงของก็น้ำหนักเท่าเดิมนะ <c oughs> แต่ทำไมมันถึงหนักมากขึ้นเพราะเราแบกมานาน พอแบบนั้อ๋อพอได้วางสบายนะสบายมาก็เปรียบเทียบว่าที่จริงจิตใจของเราก็แบบนั้นเลยนะจิตใจถ้ามันไปยึดไปถืออะไรนิดหน่อยมันก็อาจจะไม่หนักมากแต่ถ้าเมื่อไใ่ที่เราไปยึดไปถือไปมันนานๆเนี่ยมันจะมันจะเป็นความทุกข์ที่มากเลยนั้นการเชือสติมันก็ดีตรงนี้ยเราจะเราจะทําให้เรามีเห็นมันเด็วแล้วก็ปล่อยมันได้เร็วเราไม่ได้ห้ามตอนคิด เราไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะต้องไม่มีกิเลสนะเราไม่ต้องปฏิเสธว่าเราจะต้องไม่มีความหลงนะแต่สติมันจะทําให้เราเห็นมันแล้วกปล่อยมันได้เรื่อยๆนั้นปฏิบัติมาเนี่ยมาว่ามันมันได้ผลจริงเนาะแล้วมันก็เห็นผลจริงๆ จ, จากการที่เราได้เห็นนะความหลงที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะนั้นการปฏิบัติทำเนะี่ยบานทีบางคนคิดเอานะ หรือว่าเราจะได้ยินได้ฟังมาแล้วล้วก็คาดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเช่นคาดว่ามันจะต้องสงบคาดว่ามันจะต้องไม่มีกิเลสคาดว่ามันจะต้องมีแต่ความสุขนะความสบายแต่ไม่รู้นะวิธีอื่นเป็นแบบไหนนะแต่วิธีที่เราปฏิบัติแบบนี้นะมาเข้าใจว่ายิ่งเราปฏิบัติมารูปฏิบัติ เขถึงทำมากเท่าไหร่นะยิ่งเห็นกิเลสเยอะขึ้นยิ่งเห็นอัตตาตัวตนมานะะเยอะขึ้นยิ่งเห็นความหลงเยอะขึ้นเห็นจริงๆนะเแต่มันเห็นแล้วมันแต่มันมันแบบรู้สึกว่าพอมันเห็นแล้วมันแต่ใจจริงๆมันไม่ได้เข้าไปเป็นด้วยคือมันเห็นว่าอันนี้มันเป็นมันกิเลสมันก็มี แต่พอเรารู้มันเราก็ไม่หยิบมันเราก็ไม่ยึดมันมามักเปรียบเทียบในหลายที่ว่าเหมือนเรากวาดบ้านเราก็กวาดเราก็จะเห็นฝุ่นเห็นขยะเห็นอะไรที่เรากวาดไปนะนะกวาดบ้านฝุ่นมันอยู่ข้างหน้าเรานะอยู่หน้าไม่กวาดแต่ที่เราเดินหลังไม่กวานนะมันสะอาดขึ้นใช่ไหมเราปฏิบททัติธรรมเหมือนกนะันเราเห็นกีเีสที่มันสแสดงเห็นตัวตนเห็นอัตตามานะความอยากต่าง มันสแสดงเยอะมากแต่เมื่อเราเห็นอนะจิต ส, สะอาดขึ้นนั้นการการปฏิบัติธรรมแล้วเรียกว่าเข้าถึงธรรมมากขึ้นเรื่อยๆก็คือนะั้นมันเ็ดกวาดให้สิ่งประกบฏเนี้ยออกไปเรื่อยๆนะดังนั้นพวกเราปฏิบัตินะบางทีอาจจะต้องเลยเข้าใจตรง น, นี้นะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจตรง น, นี้บางทีเราจะเราจะสงสัยทําไม มันไม่สงนะบปริบัติธรรมเนี่ยนะไม่เห็นสงบเลยทําไมมันฟุ้งนะสวดมนต์ไปทําไมใจก็ฟุ้งอนะไรนะ่ะนั่งเป็นญสติหรือเดินจงกรมทำไมก็คิดนั่นคิดนี่อนะไรน่ะถ้าเราไม่เข้าใจว่า น, นี่คือธรรมชาติแล้วที่เราเห็นว่ามันคิดน่ะคือมันดีแล้วนะเห็นตัวตอนอัตตาที่มันเกิดขึ้นมามันดีแล้วมันถูกแล้วนะถ้าเราเข้าใจนะ่ะเราก็จะค่อยๆฝึก อ, อ้อ น, นี้นี่คือ ฝึกทางแล้วเป็นธรรมดานะอะเป็นธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอนะเราถูกแล้วแต่มันก็จะมีบางช่วงที่บางทีอาจจะอะไรอะาภาษาแบบจันทร์นั้ น, นะนใครรับไม่ค่อยได้กับตัวเองก็มีนะ <c oughs> คือมันอาจจะเป็นช่วงคือทําไมเราคิดมากขนาดนี้ทําไมกิเลสมันเยอะขนาดนี้ทําไม โอ้มันโปกๆขนาดนี้มันก็มีนะจริงๆก็มีแบบความรู้สึกแบบนี้แล้วก็แบบมันก็จะดําเลยจบไม่อยากเห็นอะไรครับไม่อยากรู้อีกแล้วก็มีไม่อยากปฏิบัติก็มีแต่บางทีก็ถ้าเราโกนต่อมันก็มันก็มันก็อยู่กับมันได้นะแล้วก็มันก็มองในเรื่องธรรมดานะบางทีก็จะเป็นแบบนี้ก็มีก็ให้เรา ถ้าถึงจุดนี้ก็ให้เราค่อ ย, อยๆใจเย็นๆนะดูไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะค่อยๆปรับเป็นการสม่ำนากขึ้นนะอันนี้คือบางครั้งมันก็เห็นพวกนะ้เห็นพวกกีรดเห็นวัวอะไรต่างๆซึ่งบางทีก็อาจจะเหนื่อยจะทคอบ้างแต่อีกแบบนึงนะมันก็ไม่ได้เห็นแต่ด้านไม่ดีเั่านั้นนะทีปฏิบัติแล้วก็สบายมีปิติมีความสุขมีความรู้ มีความแตกชานก็มีนะนะก็มีถ้าเราไม่มีสติทันก็จะหลงอย่างนั้นน ะ, ะาภาษาพาราไดโอเป็นวิปัสสนูบ้างเป็นนะจินตยานบ้างเป็นวิป ร, ราสบ้างนะก็ต้องรู้ทันนะเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันมันแตกแ ป, แปมันไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทีจิตเราจะ มันไปอยากเล่นกับมันหรือจิตเราก็หลงไปกับมันนีแบบ่แหละนั่นคือเราหลงไปกับอารมณ์่ะจะแก้ด้วยวิธีไหนนีน่อาศัยการทำในรูปแบบนะให้เรากลับมาเพราะการทำในรูปแบบมันจะช่วยให้จิตมันกลับมาหาฐานกลับมาสู่สภาวะปกติเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่มันอยากบอกคนอื่นอยากพูดเนะี่ยมันผิดปกติ ถ้าพอกลับมาเ่อเห็นไหมตอนนี้มันกลับมาปกติแล้วแล้วก็อาจจะเกิดความยา อ, อยากนะอยากโม้อยากคิดคำมากอยากอยู่ในความสุขอะไรแบบนั้ น, นนะมันก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้สภาวะพวกนี้แม้มันจะปรารถนาในด้านที่ดีนะแต่มันก็ยังเจือด้วยความอยากเจือด้วยความอยากซึ่งมันความอยากนะ่นแหละแม้จะอยากดีมันก็เป็นทุกนะข์นะอ่าก็จะเห็นว่า พอกลับม า, แ ล, มามออมบแล้วมันก็ไม่ทุกข์เขาก็จะสับเรื่องยาจนไม่ยาเนี่ยมันก็เราจะเห็นคนไกลการหลอกเนาะบางทีกิเลสมันหลอกเจ็บยานะนะโลกกวดลงเจ็บยาหลอกแบบเจ็บยาไม่ได้ก็มาหลอกแบบละเอียอดหลอกด้านดีหลอก ด, ด้านศูนยก็นะมีนะเป็นแบบนี้ตลอดทางะนะโยมเป็นแบบนี้ตลอดนะ ไม่มีวันไหนไม่ไม่มีนะเท่าที่มาปฏิบัติมีทุกวันแต่เพียงแค่ว่าเราจะรู้ทันมันไหมนะเราจะเห็นมันไหมเนี่ยนสะําคัญที่สุดสิ่งที่เราปฏิบัตินะนะอหลวงพอเขงเขียนนั่นเอใช้คำว่าเราฝึกนะสติเพื่อเราจะได้สร้างสภาวะการเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดนะูเป็นสภาวะที่ดู ดูทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเมืนน่อใดที่เรามีสภาวะเป็นผู้ดูได้นะ่ะเมื่อนั้นแหละกิเลสมันก็ทําอะไรจิตเดิมแท้จิตจริงๆไม่ไ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด้แต่คำว่าผู้ดูก็บางทีบางคนเกิดได้บ่อยบางคนเกิดได้นานบางคนเกิดไม่นานนั่นก็แล้วแต่นะแล้วแต่กำลังดังที่ฝึกนะแต่เราฝึกเพื่อให้เกิดสภาวะการเป็นผู้ดูอยู่บางทีเรียกว่าเห็นในวันนี้น เมไรที่เราดูเราเห็นนะมันจะไม่เข้าไปเป็นไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นเราเป็นของของเราอันนี้มันก็แค่นั้นนะที่เราฝึกไปเรื่อยนะน่ะเนาะก็เราก็ได้มาเนี่ยที่นี่เนา ะ, นะได้มาร่วมกันปฏิบัตินนะถือว่าเอาไว้เมือนที่คุณหมอพูดไ่้คือที่จริงมันเป็นแค่เบิร์กช็อต เป็นเวิร์กช็อปที่ก็ดีมากนะไม่ต้องเสียตังค่าคอร์ดแต่เป็นถ้าเป็นเวิร์กช็อปที่เอาไปใช้ได้จริงนะเวิร์กช็อปทาโลกบางอย่างนี้คือเราก็คิดไปตามกระแสนะทํานั่นทำนี่แล้วก็อาจจะคิดทําเป็นบางช่วงแต่เวิร์กช็อปตรงนี้ยเราได้สามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆก็ราะอะไร เรามีกายเรามีใจแล้วความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันก็คือมันทุกข์ที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจนี่นแหละแล้วถ้าเรามีสตินะนะเราก็จะสามารถผ อ, อกจากทุกข์ผนะนะ อ, อกจากความทุกขนะ์จากกายจับใจได้อย่างแท้จริงนะเนี่ยนะคือมาว่าถ้าจะเป็นเวิร์กช็อปก็เป็นเวิร์กช็อปที่สําคัญมากในชีวิตของเรานะแล้วก็เป็นสิ่งที่ เรามาเรียนรู้บางคนก็เรียนรู้มาหลายปีแล้วผมนคนก็อาจจะเพิ่มมาแล้วเราก็จะเอาไปใช้ต่อได้ในชีวิตรจริงของเราโดยเฉพาะเมื่อวันหนึ่งที่เราต้องเจอความพักผ้าสูญเสียจากคนรักจากของรักเมื่อวันหนึ่งเราต้องป่วยหนักนด้านตายไม่สบายเมื่อวันหนึ่งเราต้องตายนะพวกนี้จะเป็นที่พึ่งของเราจริงนะ เาจะดูเลยว่าที่เพื่อนอื่นนะไม่มีจริงๆนะคือมาเคยเห็นคนป่วยหนักๆเห็นคนใกล้าตายหลายคนซึ่งบางทีมีหมอมียามียาติที่อยากจะช่วยจริงๆบางทีก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่การที่จะช่วยใจให้ให้ไม่วิตกให้ไม่สับสนให้ ไม่ทุกเนี่ยมันก็ช่วยได้กันในระดับหนึงแต่ถ้าเขามีธรรมะด้วยตัวเองเนี่ยไม่ต้องอาศัยคนช่วยคนอื่นก็ช่วยแค่ข้างนอกเขามีที่พึ่งตัวเองเนี่ยเราเห็นครูบาอาจารย์ตายพูนะ้น่ะท่านทําแบบนี้ให้เป็นตัวอยา่างเกิดความมั่นใจเกิดความศรัทธาแน่นอนนะแล้วเราก็เชื่อว่าที่จริงก็ไม่ใช่เป็นพระโยมก็ทําได้นะถ้าเราก็จะมีที่พึ่งตรงนี้ยนะทําให้เราเห็นว่า ไอ้ที่มันแก่มังคือรูปที่มันเจ็บมังคือรูปที่มันตายมังคือรูะที่จริงแล้วใจไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายอะไรนะใจสามารถเป็นปกติใจสามารถไม่ทุกข์ได้ตบปากไว